รถแห่งธรรมชั้นนะซึ่งรถทั้งปวงน ะ, ะคำว่ารถทั้งปวงมัก็เหมาะแต่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี่เป็นยอดเมื่อชนะรถทั้งปวงที่จารไว้เช่นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีชาติเต็มพระไทย ได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรสทุกธาตมีความหนักเบามากน้อยเพียงไรทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรสแห่งธรรมประจับเขาไถเป็นรสที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมคือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตนั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละและเอารสที่ได้ทรง พระจักรในพระไทยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยัาไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึ่งเพราะได้เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กลับกี่กันพระองค์ก็ทรงหากหมดได้ทรงดิ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็เพื่อทริ้นเพื่อพระไทย จึงแนะนำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่าร ถ, ถท่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงคำว่าร ถ, ถทางธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้บริจาคทานได้รับความเ e อ e. ืออียงรู้สึกว่าใจลันทองอาจารย์เองเคยเป็น ถ้าเราทำบุญให้ทานอย่างถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมดะสิ่งที่เราทําไปนี่เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพื่ผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกมันทองขึ้นมานี่ก็เป็นรสอันหนึง่คงความรสแห่งความตนหนิงมันก็สู้ไม่ได้ น, นี่มันชนะลดความต้านหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองและไม่ว่าอันใดเมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอนนานาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมจาคัเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่ง ที่สามารถจะชนะความเจ้นหนีเหนียวแน่นความเียงแก่ตัวนั้นได้เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่ฝังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทําคุณดีต่างๆเท่านั้นก า, ศาศรักษาศีลก็มีความเย็นจิตเย็นใจเพราะศีลนั่นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเนิก ความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันกระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจของกันและกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นและความกำลัโลภจากเราเราเองก็ภูมิใจว่าไม่ทําประโยชน์แก่ตนเองในรักษาตนเองโดยยังหมดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลหุ่นตบที่รลดฐานสมาธิ จิตที่เคยพุ้งเฟ้อเหอเหม่มวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนเป็นจิตทิศเป็นเปร้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสบความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่ยงเหยงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความเอื้อเอีงมีความปีติยินดีในความสงบถุกแล้วมีแจ่ใจที่จะพึงบำเพ็ญอิกใจตั้งตนให้มีความสงบแน่หนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรถแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลำดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลาดับเพียงรดสมาธิก็ทาให้เราเพลิน เพินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมากเกี่ยวข้องหรือยุ่งว่วนนี่เป็นรสอันหนึ่งเห็รสปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่ที่เรศแต่ละประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสี้ยนถอด น, น้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นลดอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนจิเลียขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเสี้ยนหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเจยดแทงอยู่ภานจิตใจแล้วปัญญาขันละเอียดก็สามารถถอดถอนจิเลียส่วนละเอียดอันเป็นเสี้ยนหนามส่วนละเอียดเจยบแทงจิตใ จ, จนั้นออกได้โดยลๆๆําดับลํำดับจงกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอน สิ่งที่เป็นภัยวิเชียนหนามนี่คือพิเลต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรถแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไวปรถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงนี่เป็นความสุดยอดแห่งรถในโลกนี้ไม่มีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ผู้ได ริ้มรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประ จ, กจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจอือพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแห่งธรรมเป็นนักจึงรถทั้งวงควหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัตินั่นให้มีความติดจางหางเหินห่างเหินจาก ความสุขอันเป็นบรมสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งธรรมในขั้นท้องเตี่ยวอยู่ในวันตะก็เป็นรถที่จะยังปู น, นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นๆนตลอดไปนี่ท่านเรียกทวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรถค่าอันไ่้ระดับใจของเรา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 ให้รู้โทษของมันแนละหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำหนักลำหนักอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจอปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิต <c oughs> เมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรม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 ก็คือการชำระล้างสิงสกปรกโซโมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือรลืกษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอาวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ประพฏิบัติจะได้ดำเนินตามนี่เป็นฝ่ายเหตุ ฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับลาดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระโอาวาทคำตรัสสอนข้อโค้งเจ้าเลยแต่พราะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าอรมมสุขไม่มีอันใด จ, จะขาดจะเกินบกพร่องในพระทัยที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาแยกแบ่งสรรปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล่นล้วนไม่มีอันใดเจือปนโลกามิตใดๆผลจะพึงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มีแต่ทานไว้ให้จัดโลกด้วยความบริสุทธิ์พระทยและพระเมตตาเท่านั้น เราผู้ที่เกิดมาพกพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวาขาตาิธรรมซึ่งพระองค์ท่านรตรัสได้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกรรมนำสัตว์ผู้ประพฤติธปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องจีดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งทั้งถึงยมุทปญผาเราจึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อ จะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นดูที่ไม่พึงปรารถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นน้ำหนักน้ำหนักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างที่สิ่นที่สกปรกให้กลายเป็นของส่าไปต า, ตามกันกจิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้น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 บางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียดอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบงังคับว่าต้องทําเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทําตามเหตุผลนั้นผลที่ผู้นได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสาธนธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตําหนิติเทียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงต่างแล้วเมื่อ เราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลดูแล้วก็นําเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดำเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับ ก, ก็เป็นที่พอใดธรรมนาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมาน ถูกเคี่ยนถูกตีถูกเนี่ยการทําสอนรุด่าว่าการหนักเบาเป็นธรรมระแต่จะปล่อยให้เป็นตามลำพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจำก็พินเข้าหลวงเสียเข้าหลวงเปล่าๆผลดีพึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทำการงานเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไป นี่คือเรื่องตัณหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอบงำจิตมันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นตายเพื่อความโศ ก, กโศกโสมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลําบากนี่เรียกมันเป็นของโศกโศกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามในทางแต่ปในทางนั้น แต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราผู้นับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนกิเลส ก, การฝืนกิเลสจึงเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรลกเราก็ต้องมีความลําบากลาบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนยื้อรบกับกิเลสทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยูก่กับใจเราทำก็อยู่กับใจเราการแก้กิเลสก็แก้ที่หัวใจเรา การประพฤติธทมก็พุทธิหัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างทำกับยีเด็กสู้กันจำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับท่ากับขันต้องเจ็บต้องปวดนั่นปวดนี้จิตใจยอยากให้คิดไปตามมันเพลียกว่คิดไม่ได้ต้องถูก บ, บังคับบัญชาแก้ไขกั น, นด้วยเหตุโดยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่และอยา่างละอยา่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็น อุปสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าพ้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีเยะแต่เรายังมาฝึกมาผลฝนทรมาต น, นเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบําเพ็ญอยู่เวลานี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยมวากันว่าเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้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 เกียดแฉะหนาวสั่นไปหมดเลยไม่อยากทำแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความกระยินในการพฤทธปฏิี่อ้าวยากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้ได้บำเพ็ญกุญงามความดีน้ำความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วแต่เกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแ้่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาใจดีชั่วเราได้เห็นประจับ ตาประจับใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปรากผู้เลิศโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักภายในจิตใจของเราและนนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโล ก, โลกทั่วไปเราขอน้างกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคําว่าพุทธธรรมธรรมังสนังคาฉ น, นี้ประการหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประการหนึ่งยิ่ชื่อยิ่งชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่ ง, งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็น พ, พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชา <c oughs> ด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสตราเป็นผู้ครองจิตใจของเรา แทนที่จะกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำนำดับกลับเป็นเรื่องธรร ม, มครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพุทธปฏิบัติของเราดังที่ดำเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปซึ่งหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมายคาว่าความสงบผ่องใจความสุขผองใจ ที่เกิดขึ้นจากการผู้ปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจํงงานวนมากที่เดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึงเก้าสิบเก้าเปรเซนต์เรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผู้ผผปฏิบัติธรรเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นตก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาในปฏิบัติ ต, ตนจนปรากฏผลเป็นที่เลือกเย็านภายจในจิตใจมีนี่มีจํานวานน้อยมาก แล้วเราก็นับนับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซนนี้ยึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอำนาจศาสนาพอสมควรแล้วจึงควรภาคภูมจิตใจของตนและเพื่อเพื่พฤติปฏิบัติเลื่อนไปตายเมื่อไรก็ตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกผลอยู่ในสกลนาการนี่แหละถ้ายอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกลนาการแตกที่โซนอาการไม่ได้หมายปาาชา้าแต่แต่หมายถึงโซนนาการด้วยด้วยกันทั้งนั้น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 ไม่สงสัยไม่คาดโน้นคาด น, น, าดนี้อันเป็นการก่อควาจิตใจตนให้ยุ่งกระเปล่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเต็นความจริงอยู่อยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยื่วุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดท on จ, จิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลําดับๆ ด, ดูที่ไหนก็สุขโต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 เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมค ำ, ทำสอนของพระเจ้าขอให้นั้นทิ้งขอให้อุตสาหพยายามด้วยกันจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจึงข อ, อยุติการแสดงเพีนเนทน